ระดับชั้นและก็ทุกท่านทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ปีใหม่ชีวิตใหม่ชัระใจใหม่ถามจริงๆนะจากใจพระเลยเนะี่ยเทศกาลปีใหม่เนี่ยพวกเราอยากได้อะไรก็อยากได้โบนัสก้อนโตขออยากได้ทองสักเส้นหนึ่งขออยากได้กัลยาณมิตรแล้วก็งออยากได้สุขภาพดีจริงๆแล้วสุขภาพเป็นคำนที่สำคัญมากนะ มีทุกอย่างถ้าไม่มีสุขภาพมีความสุขไหมมีสุขภาพดีมากไม่มีเงินสักบาทเลยดีมั้ยจริงๆรินี่ยสุขภาพเราไม่ควรจะนิยามว่าการไม่มีโรคเท่านั้นนะสุขภาพควรจะนิยามกว้างว่าภาวะที่มีความสุขภาพคือภาวะที่มีความสุขมีเงินแล้วทําให้เรามีความสุขเงินเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้มีครอบครัวที่ดีแล้วมีความสุขครอบครัวดีเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้ มีเพื่อนคู่คิดมีมิตที่ปรึกษาแล้วทาให้ชีวิตร่าประลิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้ได้ทํางานดีๆมีเกียรติยศอยู่ในสังคมอย่างสนาพาเผยมีเงินมี้องมีกินมีใช้อยากทำบุญได้ทําอยากช้อปปิ้งได้ช็อปอยากเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาก็พอมีพอกินพอใช้พอเลี้ยงพอสมควรเศรษฐกิจมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้นะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยโรคภัยก็น้อย ไม่ค่อยมีโรคประจําตัวอะไรหรอกนานๆเป็นวันทีหนึ่งดีไหมนี่ก็คือสุขภาพฉะนั้นสุขภาพเรานิยามกว้างๆสิเห็นไหมถ้าอยากได้สุขภาพคําเดียวนะครบทุกอย่างในเมื่อกี้เนะี่ยตกลงเงินก็ได้นะสร้อยก็ได้นะสุขภาพก็ได้เมื่อกี้นีนพวกเราได้บอกแล้วว่าต้องการพรข้อที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพซึ่งพระอาจารย์ก็เนียามกว้างๆว่าอาจจะหมายถึงสุขภาพทางการเงินสุขภาพทางครอบครัวสุขภาพทา ง, ทางสังคม สุขภาพทางร่างกายรวมทั้งสุขภาพทางจิตปัญญาเหล่านี้เป็นสุขภาพทั้งหมดทีนี้ถ้าเราอยากได้แล้วไม่สร้างมันเกิดขึ้นมาได้ไหมไม่เลยทา่านสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองเห็นไหมว่าผลของการที่เราดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าทําประโยชน์ทุกวันตื่นมาก็ทำประโยชน์ประโยชน์มีสองอย่างนั้นหนึ่งประโยชน์สุขสองก็คือผลประโยชน์ ถ้าเราทําแต่ผลประโยชน์เราก็พออยู่พอกินเปเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเราทําประโยชน์สุขส่วนตัวก็อยู่ได้ส่วนสังคมก็อยู่ดีทีนี้คําถามก็คือว่าทํายังไงเราจะให้ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านมันไปด้วยกันชีวิตตะมานี้ที่มาถึงทุกวันนี้เพราะตะมาณถือหลักสองประการหนึ่งตนเป็นได้พึ่งของตนสองให้คนอื่นเขาได้พึ่ง เมื่อเดินมิถุนาพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมที่ยุโรปพอบรรยายเสร็จปับ๊บพอฝรั่งเขากลับบ้านหมดละคืนนั้นก็นอนอยู่ในที่พักเปิดรายการสารคดีดูช่องด i s c o v e r y ร์ก็เปิดมาดูช่องสารคดีก็มีสารคดีพากาโลกของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาอยากรู้ว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ฉลาดมากๆนะในหัวมันมีอะไรลูกพาดูนะรอยหยักในสมองอะเนะ การสมองมันขดขดขดขดขดมันเป็นยังไงปรากฏว่ามันยุ่งยุ่งย <m dled sadness> ุ iz, <st> ่งยุย <commercials> <ay> ุยุยุ่ยุ่งก็ดูเสร็จพระอาจารย์คนนึงบอกเออถ้าฉันสุ่มตัวอย่างเอาคนไทยสมัยนี้มาผ่าดูนะแน่ดูเลยนะผ่าชกเข้าไปนี่นะเจออะไรคนยมเจอซีรีส์เกาหลีเพียบเลยใช่ไหมผ่าเข้าไปอีกนั่งไปอีกชั้นหนึ่งชั้นแรกนึงเป็นซีรีส์เกาหลีผ่าเข้าไปชั้นในเจอดาวพระศุกร์ บ้านสายทองวงคำเหลาแย่ยมยะโสทรล่าผีตอบสร้างกันกี่ภาคตัวกี่ภาคไม่รู้นะคนไทยชอบหาเลึกก็ไปอีกขั้นจิตวิญญาณจะไปเจอจะ ด, ดูคามรามาเทศพระพิกันเนแตะกรุดของขังประหลัดอำเภอกองอยู่ในนั้นหมดเลยนี่ยังไม่นับยันห้าแถวนะองไปอีก เจอเลขหนึ่งถึงสี่คนไทยเลขบนเลขล่างแทงทุกงวดทั้งสูงทั้งต่ำทั้งโต๊ดก็อยู่ในหัวคนไทนเลื่อนลงไปอีกเจออะไรเจออาหารจังฟูที่หน้าปากสอยอาหารพลสติกปเดี๋ยวนี้คนไทยเลิกทําอาหารในครัวกินเองแล้วนอะเลิกดึกดังสุดท้ายมอเตอร์ไซค์เรื้ออาหารหน้าปากซอยขี่ไปกินนอกจากนั้นก็เจอแม็กโดนัลเจอเคเอฟซี เจอโค้กเจอเบบซี่แล้วก็เจอเหล้าขาวสามสิบห้าดีกรีสิ่งที่จะเจอจากการพาสมองคนไทยเน่าให้นักวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์ไหมบริษัทเราจะมีสุ่มตัวอย่างสักสองคนไหมหรือขอสักสองกะโหลกได้ไหมผู้บริหารกะโหลกหนึ่งพนัก ง, งานกะโหลกหนึ่งแล้วบางคนอาจจะมีกิ๊กซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะอย่าไปคิดว่าไม่มีนะแทกเกซี่บูนเนะี่ับรถชนอะไรต้นไม้ข้างทางนี้เดี๋ยวกิ๊กรถมาสิบคันน่ะ โดยทีน่น่าคิดทีเดียวนะว่าถ้าในหัวเรานี้มีแต่ขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารคุณและคุณคนๆทั้งหลายจะเป็นได้พึ่งของตนได้ไหมได้ไหมไม่มีทางฉะนั้นตนเป็นได้พึ่งของตนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องรู้จักสร้างตนคุณจะสร้างตนกันยังไงพระอาจารย์อยากจะให้เป็นสูตรเอาไว้นะจะสร้างตนสร้างยังไง ก็แบ่งชีวิตเป็นช่วงๆสิเอาสักช่วงละยี่สิบห้าปีดีไหมตีแล้วเราอายุร้อยปีเป็นเกณฑ์ยี่สิบห้าปีแรกตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดในห้องนี้มีใครเคยได้เกรดเฉลี่ยสี่จุดศนยศูนใครเคยสอบได้เลขตัวเดียวไหมลูกศิษ์ต่ามันบอกไม่ได้ที่เท่าไหร่ศูนย์ยี่สิบห้า <laughs> ปีแรก พุมเทเรื่องการลงหลักปักฐานให้ชีวิตให้ดีที่สุดคือการศึกษาฐานของจึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษาคุณไปเรียนให้ดีที่สุดนะตึกที่สูงที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่จู่ๆก็ลงมือก่อสร้างบนผื้นดินและตึกแทงยอดเสียดฟ้าสองร้ยชั้นไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาจะทําก่อนการสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกคือการ ตอกเสาเข็มชีวิตของคนที่จะประสบความสาเร็จชนิดรุ่งโรจน์โชตนานั้นจะต้องตอกเสาเข็มให้กับชีวิตที่ลึกฐานของตกคือฐานของชีวิตคือการศึกษาเรียนให้ดีที่สุดถ้าตั้งใจเรียนแสดงว่าคุณได้ตั้งใจใช้ชีวิตพระอาจารย์ท่านกลับจากปักกิ่งได้ไปเยี่ยมพระราชวังต้องห้ามและพระราชวังรูดูร้อน มกุฎเทพได้ชี้ให้ดูต้นไผ่ชนิดหนึ่งสูงเลยหลังคาพระตำหนักของพระนางสุสีถอยห้องแล้วเล่าว่าต้นไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่ที่คนหนุ่มคนสาวของจีนชอบปลูกมากแต่ว่าคนสูงอายุไม่ชอบปลูกเพราะอะไรเพราะเมื่อปลูกไปแล้วไผ่ต้นนี้ห้าปีมันโตแค่ศอกเดียวสูงสุดก็หนึ่งวาแต่พอเลยห้าปีปุ๊บมันจะโตคืนละคืด พอเลยห้าปีมันโตคือละคืบคือละคืบคือละคืบคือละคืบเขาเคยตั้งกล้องวงจรปิดดูพัฒนาการของไผ่ชนิดนี้เร็วนี้เพิ่งลงนั้งสือในช i o n a l g e o g r a p h i ิไปเรียกว่าไผ่มอสโซ่คำถามก็คือว่าในห้าปีนั้นตอนที่เอาลงสู่ดินแล้วทำไมมันโตช้าเหลือเกินก็ตอบได้ว่าที่มันโตช้าห้าปีเนี่ยสูงแค่ศอกเดียวหรือบาเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่า เขาไม่โตนะเขาโตแต่เขาไม่ขึ้นข้างบนเขายัางรากลึกลงไปข้างล่างไกลเป็นร้อยเมตรนะแล้วไปไหนรากนั้นจะไปแสวงหาหัวอาหารที่ดีที่สุดเก็บสะสมเอาไว้ในคลังอาหารสำรองให้ดีที่สุดพอรากแก้วอุดมสมบูรณ์ที่สุดจึงส่งน้ําเลี้ยงและอาหารทั้งหมดขึ้นสู่ข้างบนแล้วก็โตวันโตคืน ภายชนินี้เป็นที่มาของคำว่าโตวันโตคืนกลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตไงเห็นไหโตวันโตคืนสูงเต็มที่ก็น่นเลยพระตำหนักเลยตึกสามชั้นห้าชั้นฉะนั้นยี่สิบห้าปีแรกถ้าเราลงหลักปักฐานศึกษาหาความรู้ให้ดีที่สุดคุณมียวกับเติบโตสูงไหมสูงมากคุณยมไปดูบารัตโอบามาอายุแค่สี่สิบเจ็ด ประการลงชิงตำแหน่งเก้าอีประธานอาธิบดีมีแต่คนหัวเราะเพราะมันจะเป็นเป็นได้ยังไงเป็นสวออมาแค่สมัยติดเศษผลงานยังไม่มีเลยแต่ในที่สุดผู้ชายคนนี้ประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะ <S <S เพราะอะไรเพราะว่าเขาสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐอเมริกาทั้งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยฮาว สองมหาวิทยาลัยนี้เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐอเมริกาปีทีท่แล้วพระอาจารย์ไปเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดการท่านหนึ่งเล่าว่าตอนที่โอบา ม, ามาเรียนอยู่ที่นี่เขากู้โดดเด่นมากเขาเป็นคนผิวดําแต่ได้เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสากรกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดหนึ่งในร้อยถึงมาถึงตรงนี้ไปถามใครก็มีแต่คนชื่นชมเขาบอกว่าแววเขาออกตั้งแต่เรียนอยู่ที่นี่ มีบางคนบอกว่าโอบามาฟลุกน่ะลองเสนอตัวดูหรือโชคดีที่คนเกลียดบูชอยู่แล้วก็เลยได้เป็นประธานาธิบดีแต่พระอาจารย์ไม่เชื่อพ ร, ระอาจารย์ไปศึกษาชีวประวัติแกอ่านเป็นสิบเล่มเลยขนซื้อมาจากเราหนังสือที่หาวัดซื้อมันสิบกว่าเล่มปรากฏว่าโอบามาตั้งใจจะเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเขียนไว้ในสมุดส่วนตัวของแก แม่ของโอบามาปลุกลูกชายตื่นทุกวันตั้งแต่ตีสี่เพื่อเรียนภาษาอังกฤษเพราะรู้แล้วว่าครอบครัวไม่อบุนคือพ่อทิ้งไปก็พาลูกมาอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ถูกเด็กอินโดนีเซียกลั่นแกล้งเนื่องจาเขาเป็นเด็กผิวดำผมหยิกผมหยองบางครั้งก็ถูกผักตกบอ่อโคลนดูดก็มีแม่จึงบอกว่าเรานั้นถูกกระทำมากอยู่ในอเมริกาก็ถูกเหยียดผิวมาอยู่ในเอเชียก็ถูกเหยียดผิวถูกรังแก ลูกต้องเรียนหนังสือนะลูกนะมิเช่นนั้นแล้วพวกเราก็จะกลายเป็นคนบาปให้คนเขาเขาเหยียดย่ำสำเติมอย่างนี้แม่จึงเริ่มวางแผนให้ลูกชายมีอนาคตที่ดีที่สุดด้วยกันปลุกให้ตื่นตีสี่ทุกวันแล้วแม่สอนภาษาอังกฤษให้กับลูกเมื่อลูกโตพอสมควรพาลูกเดินกลับจากอินโดนีเซียกลับไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาหนังสือที่แม่เลือกให้ลูกชายคนนี้อ่านคือชีวประวัติของบุคคลสําคัญของโลก ที่ห้องหาเสียงของโอบามาซึ่งลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในในทีมงานที่ได้ช่วยเขาหาเสียงด้วยอยู่ที่วอชิงตนันส่งรูปห้องหาเสียงที่โอบามาเคยพักมาให้ดูในในห้องนั้นมีรูปของฮาตามาครคันทีมีรูปของด็อกร์มตินลูทเทกิงจูเนีซึ่งอยู่ในหน้าปกหนังสือภาวาผู้นำเล่มนี้ปรากฏว่ารูปของบุคคลสำคัญเหล่านี้โอบามาเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่ ยังเรียนอยู่ชั้นประฐมเพราะแม่จะเอาประวัติของยอดคนให้อ่านเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาทุกวันพวกเราเห็นไหมว่าถ้าการศึกษาดีคุณมีสิทธิ์เลือกอนาคตไหมคุณมีสิทธิ์เลือกอนาคตแต่ถ้าการศึกษาไม่ดีคุณมีสิทธิ์เลือกอนาคตไหมคุณไม่มีสิทธิ์ท่านนายกรัฐรมนตรีคนปัจจุบันของเราจบมหาวิทยาลัยอะไรออกซฟอร์ดฉะนั้นเวลาเดินทางไปต่างประเทศสง่างามไหม สง่างามมากนะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยเพียงคนเดียวที่ไม่ต้องใช้คำว่าโอินเตอร์เพราะท่านอินเตอร์อยู่แล้วเกิดที่เมืองนอกเรียนที่เมืองนอกในสถาบันการศึกษาที่ถือว่า ด, ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฉะนั้นเวลาไปเมืองนอกท่านไม่ต้องพยายามดัดจระเขพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้สำเนียงเป็นฝ ร, รั่งเพราะท่านใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเพาดานความคิดอยู่ในระดับโลกแต่เสียอย่างเดียวนะ่ะ มาอยู่ในกลุ่มคนที่เพาดานความคิดอยู่ระดับอบตอแต่อย่างไรก็ตามอายุแค่45ท่านก็เป็นนายก ร, รัฐมนตรีใช่ไหมภุมิหลังทางการศึกษาของท่านดีมากนั่นเป็นเหตุนในท่านมีศักยภาพพอที่จะไปประท่าสังสรรค์กับผู้นำระดับโลกโดยไม่อายใครเราทั้งหลายอยากมีอนาคตไหมล่ะอยากมีอนาคตอย่าทอดทิ้งการศึกษา แม้หลายคนในห้องนี้จะผ่าน25ปีแรกมาแล้วเหลือ25ปีหลัง <c oughs> ถามาโอกาสทางการศึกษาหมดหรือยังยังไม่หมดนะไม่หมดหรอกถ้าคุณไฝ่เรียนไฝ่รู้โอกาสทางการศึกษายังคงมีอยู่เสมอพระอาจารย์เองทุกวันนี้ก็อ่านหนังสือทีมตลอดวันละตั้งเจ็ดฉบับภาษาไทยห้าฉบับภาษาอังกฤษสองฉบับอ่านตลอด รู้น้อยไม่ได้ฉะนั้นตนเป็นในพึ่งของตนเนี่ยคือยี่สิบห้าปีแรกคุณยอมต้องตอกเสาเข็มให้ชีวิตให้แข็งแกร่งที่สุดให้ลึกที่สุดถ้าเสาเข็มของคุณมั่นคงที่สุดคุณก็จะสามารถหยัดยืนได้สง่างามที่สุดและมั่นคงที่สุดยี่สิบห้าปีที่สองทำงานทุ่มเททำงานและสร้างครอบครัวให้มั่นคงที่สุด เราได้ทำงานแล้วก็มีสถาบันครอบครัวที่มั่นคงแล้วหรื อ, อยังมีแนวโน้มจะมั่นคงบ้างไหมบางคนบอกบางวันก็ดูมั่นคงบางวันกลับไปลำวน้าจะไม่มั่นคงไม่ต้องแอบเปิดโทรศัพท์สามีดรบ่อยนะถ้าเราคิดว่าเขามีแนวโน้มจะมีกลิปมันจะมีจริงๆนะเราว่ากันว่าคนเรามีแนวน้มคิดอย่างไรนะ ธรรมชาติจะจัดสรรสิ่งต่างๆให้มีลักษณะสอดคล้องกับความคิดของเราไหลเวียนมาหาเราเรื่อยๆถ้าเราชอบรถญี่ปุ่นไปคุยกับเพื่อนนะจะมีแต่เพื่อนที่ชอบรถญี่ปุ่นทางนั้นน่ะแห่มาคุยนะคนที่ชอบรถยุโรปก็จะเจอคนพวกเดียวกันทางนั้นเรากลับบ้านจุดพลิกขอเสื้อสามีดูเดี๋ยวมันต้องเจอถ้าจิตมันคิดอย่างนี้นะมันต้องเจอสามีจะต้องทำอะไรให้เจอจนได้ลูกจิตจะมาคนหนึ่งเบนมาจากมังนอก มีกิ๊กอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เมืองนอกก็มีกิ๊กเป็นฝรั่งอยู่ด้วยกันาบางสองสาวันสามีเข้าห้องน้ํา mm hmm. เผลอเปิดโทรศัพท์สามีที่เมืองไทยดูไปเจอเบอร์แปลกๆลองโทรเข้าไปเป็นกิ๊กอีกคนหนึ่งที่เป็นใครคะพี่ก็เป็นเมียเขาสิคะแล้วน้องเป็นใครน้องก็เมียเขาสิคะคุยไปคุยมาสามีออกจากห้องน้ำเอาเบอร์ให้ดูนี่ใครสามียอมรับสักพักหนึ่งเดินลงไปซื้อของด้วยกัน ไปเจอด้านหน้าตึกอีกคนหนึ่งค่ะกิ๊กของสามีเหมือนกันสรุปแล้วผู้ชายคนนี้มีถึงสี่คนและผู้หญิงคนนี้ก็มารู้เอาเป็นคนสุดท้ายสแสดงว่าผู้ชายไทยนั้นเก่งมากจึงมีคนอธิบายปรากฏอาการไทเกอร์บูดว่าการนี้เขามีกิ๊กเยอะเพราะว่าเขามีสายเลือดไทยแต่ถ้าเขาตีด็อกเก่งนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งประหรระลาดนะใครคิดคำอธิบายนี้ก็ไม่รู้ เออแต่ว่าเราเชื่อไหมมีสิ่งที่จะเชื่อนะเนี่ยยี่สิบห้าปีที่สองก็คือครอบครัวมั่นคงการงานมั่นคงต่อไปยี่สิบห้าปีที่สามเป็นช่วงที่สามของชีวิตที่ต้องให้กับสังคมวันนี้ธรรมาภาพเดินทางมาที่นี่คุณยมตุ๊กเอาหนังสือเล่มหนึ่งให้อา่านชื่อว่ากฎแห่งแรงดึงดูดพระาอาจารย์อ่านเสร็จปุ๊บก็เลยบอกคุณยมตุก๊กว่าเดี๋ยวธรรมจะเขียนอีกเล่มหนึ่งกฎอะไรเจ้าคะ โกรธแห่งการแบรฟังและสยองต่มาก็บอกว่าโกรธแห่งไรน่งดูดที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการกรรมเป็นโกรธแห่งกรรมคือคิดแต่ว่าฉันจะกรรมเอาสิ่งนั้นกรรมเอาสิ่งนี้เป็นเรื่องของการที่อยากจะได้ใครจะมีใช่ไหมไมันเป็นโกรธแห่งกรรมแต่โกรธแห่งการแบรก็คือให้ออกไปเวลาที่เราจะให้อะไรใครสักคนเราต้องปล่อยไหมต้องแบมือไหมเราต้องแบมือออกไป พัดกรรมอย่างเงี้ยจะให้อะไรใครได้ก็ให้มันเงะกัด้คนที่อยากได้ทุกอย่างสุดท้ายจะสูญเสียทุกอย่างคนที่อยากจะกรรมทุกอย่างสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลยในกรรมมือคุณยอมหยิบเว็ดทราขึ้นมาแล้วพยายามกรรมให้ครบทุกเม็นให้แน่นที่สุดเจ็บไหมแล้วทรายจะไหลออกมาไหมทรายจะไหลออกทุกทิศทุกทางแต่ถ้าคุณยมกอบกรรมเม็ดทรายขึ้นมาแล้วกรรมพอดีพอดีไม่ต้องบีบไม่ต้องเน้น พอดีพอดีตรงทางสายกลา่าสายจะอยู่ครบไหมครบทุกเม็ดนั่นเพราะธรรมชาติต้องการสอนให้เรารู้ว่ากรรมไว้เท่าที่จําเป็นอย่ากรรมทั้งหมดใครอยากกรรมทั้งหมดจะเสียทั้งหมดฮิตเลอร์ครองยุโรปแล้วอย่ากครองเอเชียด้วยอย่าครองอเมริกาด้วยสุดท้ายได้ครองทั้งโลกไหมต้องยิงตัวตายะพราะ อยากได้กะแนนทั้งประเทศจะได้กัมพูชาทั้งประเทศถ้าคนไปกระโหลกคนกัมพูชาที่ถูกฆ่าตอนนี้เกิดตํานานทุ่งสังหารนะับมีอยู่ประมาณหนึ่งล้านกะโหลกเขามาวางเรียงกันเป็นอนุสรสถานให้ดูแล้วสุดท้ายก็ได้ครองกัมพูชาทั้งประเทศไหมเขาไม่ได้ครองคนที่ได้ครองเป็นแค่ทหารป่าคนหนึ่งชื่อฮุนเซนฉะนั้นศิลปะของกฎแห่งกรรมก็คือกรรมเท่าที่คุณจําเป็นจะต้องใช้หลังจากนั้นทําอะไร แบ่ปล่อยออกมาแล้วก็ให้คนอื่นสิให้ออกไปให้ออกไปให้ออกไปคนที่ให้ก็จะได้ทุกอย่างคนที่กรรมก็จะเสียทุกอย่างเร็วๆนี้ได้อ่านข่าวของจินนี่คั์เตอร์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชัากชวนนักสัมมักจากทั่วโลกมาสร้างบ้านที่เมืองไทยเที่ยงเปอร์สันษาจังหวัดเชียงใหม่แปดสิบสองหลังถวายในหลวงเขานอนตีพุงอยู่ที่อเมริกาได้ไหมผู้ชายคนเนี้ย อดีตประธานาธิบดีสบายเงินทองเหลือกินเหลือใช้แต่ทําไมเขามาเมืองไทยเจ็ดเลยซูเปอร์สตาร์ของอเมริกาของเอเชียก็มาช่วยสร้างบ้านกับเขาด้วยหนังสือพิมพ์ก็เล่นข่าวเขามากเขาเล่นหนังมาสี่สิบปีมงิเงินทองเนะี่ยเป็นพันล้านแล้วละ่ะแล้วก็สวมหมวกแก๊ปใสาแว่นตาดํา ม, มาช่วยสร้างบ้านแดดร้อนิงเปรี้ยงๆเขาทำทำไมต้องอาทิตย์ก่อนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ลงข่าวพลาดหวัว ยอยองส ด, ดูดีเิลเกสซึ่งปีนี้เพิ่งได้รับรางวัลจากประเทศอินเดียชื่อรางวัลครันทีหรือมีชื่อนั้นกอาจจะเป็นรางวัลอินทิราถ้าจําผิดต้องขออภัยด้วยนะเขาได้รับรางวัลจากอินเดียในฐานะผู้บริจากรายใหญ่สนับสนุนประเทศอินเดียเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในสลังและบริจาคคิดค้นเวชภัณฑยาในประเทศโลกที่สามเขาไม่ใช่เพิ่งมาทานะทามาเกือบสิบปีแล้ว ที่อเมริกาที่เขาได้ขึ้นปกนิตยสารดังๆของอเมริกาเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนไม่ใช่เพราะว่าเขากลายเป็นคนรวยที่สุดแห่งปีแต่เป็นเพราะเขาบริจาคเงินประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทไทยให้กับรัฐบาลกลางอเมริกาเพื่อปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพครูทั่วอเมริกาอยากให้คุณครูที่อเมริกามีศักยภาพในการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงผู้ชายคนนี้บริจาค ย้อนหลังไปอีกตั้งห้าปีเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีของนิตศสารรทมเพราะอะไรไม่ใช่มหาเศรษฐีดำหนึ่งของโลก1ิสามสมัยซ้อนแต่เพราะบริจากรายใหญ่เป็นระดับต้นๆของโลกเห็นไหมว่าคนที่มีศิละปะของการกรรมและการแบกก็จะเป็นคนที่ได้รับมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขแต่คนที่ต้องการจะกรรมทุกอย่างสุดท้ายก็จะสูญเสียทุกอย่างเงินก็อยากกรรมไม่ แล้วสุดท้ยมัจะเสียทุกอย่างนะเชื่อไหมกรรมบังแบบงสิเหมือนบิลเกตเขาทำอะเวอร์นเบอร์เฟรเจสตลีทำแองเจลิน่าโจลีทำอะวิชาร์ดเกียร์ท ำ, er, ทำคนเหล่านี้พูดถึงฐานะเนี่ยเขาจะกอบกวยจากความสามารถและชื่อเสียงของตัเองเท่าไหร่ก็ได้แต่เขาเรียนรู้ที่จะกรรมด้วยแล้วก็แบงด้วยกรรมด้วยแบด้วยกฎธรรมาชาติมักจะสอนเราเสมอว่าผู้ที่ทําตนเป็นผู้ให้คือผู้ที่อยู่รอดผู้ที่ครอบครองทุกอย่างสุดท้ายคือผู้ที่จะต้องสูญเสีย ตอนเป็นเด็กน้อยแต่มาเคยอ่านนิทานพุทธปฏิยาเรื่องหนึ่งจําได้จนทุกวันนี้นักเขียนเขียนเล่าเอาไว้ว่าที่ใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีปลาอยู่ตัวหนึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนกระทั่งวันในใต้ท้องมหาสมุทรไม่มีอะไรให้มันกินวันหนึ่งขณะที่มันกําลังว่ายอ้อมเขาลูกหนึ่งใต้ท้องมหาสมุทรมันเห็นบางสิง่งบางอย่างโผล่บบบับ๊บบ บ, บอยู่ที่หลังเข่าลูกนู้น มันเอี่ยวตัวเป็นงับปุ๊เลยกัดกินเลยเลือดกระโชดสิ่งที่มันกินเข้าไปคือแผ่หางของตัวเองเห็นไหมกฎแห่งการกรรมบอกเราว่าถ้าคุณคิดจะกรรมทุกอย่างคุณคิดจะกินทุกอย่างด้วยความน่าสุดท้ายคุณจะกินแม้กระทั่งตัวเองไปดูดิประวัติศาสตร์ของบุคคลของโลกที่ประสบกับความหายยะนะล้วนนะแต่เป็นคนที่ติดอยู่ในกับดักของกฎแห่งกรรมเขาไม่รู้จักแบ ในเมื่ออยากครอบครองทุกอย่างเขาก็เลยต้องสูญเสียทุกอย่างนโปเลีย น, นครองยุโรปไปแล้วครึ่งยุโรปวันหนึ่งไม่พอใจก็อยากครองให้หมดยาตราทัพก็ไปที่มอสโกเจอพายุหิมะรบแพ้กลับมถุกกลุ่มพอลมิตรร่วมมือกันปฏิวัตยึดอำนาจเอาไปปล่อะสุดท้ายตายอย่างน่าสมเพชที่สุดชกพัฒนนโปเลียนโบนาปาร์ยิ่งใหญ่มากๆ เดินผ่านกองทหารเกียตรติยศทหารกาลังเป่าแตรอยู่ต้องหยุดทันทีเพราะอะไรพราะว่าฉีรา่ากลัวในเดชานูภาพของจั ก, กรพรรดิขึนสุดท้ายด้วจั ก, กรพรรดนินโปลเลียนจะสิ้นพระชนม์อยู่ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งซึ่งเข้าไปตักบริเวณหนูวิ่งขึ้นมาแท้พระองค์ตั้งแต่หัวเจรเทา้าพระองค์เสียดสยองมากแล้วก็ทรงจักระเดียมมากเลยไม่รู้ศัพท์เทคนิคเขาเรียกอะไรนะชันพระบรากายขึ้นมาจะไล่ห น, หนูขนาดนั้นหนูกําลังกัดอยู่ที่หัวแม้เทา้า ทรงชันพระวรกายขึ้นมาแล้วไม่มีแรงล้มโคมลงลงไปก่อนจะสิ้นพระชนทรงแต่งอุทานว่าดูเอาเถิดตอนที่ฉันยังอยู่มีอำนาจแผ่ไปครึ่งโลกแต่ตอนนี้แม้แต่จะไล่หนูนะ้ำปนเรียนยังทําไม่ได้อุทานเสร็จก็สิ้นพระชนคนที่อยากจะครอบครองทุกอย่างสุดท้ายจะสูญเสียทุกอย่างเพราะอะไรสมบัติของโลกนั้นต้องให้ชาวโลกเขาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทางโลก ถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยากจะได้สมบัติของโลกทั้งหมดมาเป็นสมบัติของตนเขากําลังทําผิดกฎธรรมชาติฉะนั้นใครที่อยากกรรมาไว้มากๆคนคนนั้นกําลังทําผิดกฎธรรมชาติดังนั้นช่วงชีวิตช่วงที่สามยี่สิบห้าปีที่สามต้องเป็นยี่สิบห้าปีของกฎแห่งการแบร่งกฎแห่งการแบร่งคือต้องคิดถึงคนอื่นแล้ว เราเริ่มคิดถึงคนอื่นหรือยังแต่อย่าไปตีความการคิดถึงคนอื่นแบบไปผิดนะคิดถึงคนอื่นในทางที่ถูกต้องก็หมายความว่าถามตัวเองว่าฉันจะให้อะไรที่ผ่านมาในสังคมไทยเรายุ่งยิงเพราะเราถามกันตลอดว่าฉันจะได้อะไรจากนี้ไปลองถามใหม่ว่าฉันจะให้อะไร for, oh. ถ้าเราถามว่าฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรเราก็คิดแต่จะทำเพื่อตัวเองใช่ไหมบางครั้งเราทำเพื่อตัวเองจนตัวเองสมหวัง หันไปมองข้างหลังมีแต่คนผิดหวังเพราะอะไรเพราะทุกคนที่ผิดหวังเนี่ยถูกดูดทรัพยากรมาเป็นของโกที่อันนี้ได้ทุกอย่างแต่ก็เสียทุกอย่างได้ในสิ่งที่ไม่ชอบทำเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภทางพุทธเราสอนว่าได้มาแต่ไม่ชอบทำสู้มิได้เสียยังดีกว่าดังนั้นเมื่อเราได้มาแล้วระดับหนึ่งพอกินพอใช้ระดับหนึ่งคิดถึงสังคมบ้างได้ไหมเมื่อวัน ที่สิบสองที่ผ่านมาอาตอมาไปแจกพระห่มที่บ้านเกิดเราแจกพระหมกันหนึ่งพันผืนแจกบ่ายสี่โมงชาว บ, บ้านมารอตั้งแต่บ่ายโมงคุณยอมเชื่อไหมดาราทุกคนพอไปถึงป๊ป๊บพระอาจารย์เชิญมาพูดทุกคนรองให้ทุกคนไม่มีใครสามารถพูดได้จบประโยคเพราะอะไรตื้นตันใจคุณยายคนหนึ่งมารอตั้งแต่เก้าโมงเช้าสามโมงเช้าเก้านาฬิกตรงคุณยายถึงวัดแล้วอะ แต่ของที่จะเสียก็คือราการละแมลงเครื่องเบินก่อนมาถึงสี่โมงยายบอกยายไม่รู้เวลาวันนี้ยายอยากเห็นการละแมแล้วพอถึงเวลาได้รับประหดเป็นจริงคุณยายว่าไงพระอาจารย์มันจะบาปไหมถ้ายายได้ไปแล้วยายไม่ใช้อะ่ะทําไมก็มเนี่ยของน้องแม่เข า, อ, าอยายอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบแล้วเรียกกาละแมว่าน้องแมทํายังกับรุ่นเดียวกันคุณโยกกละแมพูดไม่ออกเลย ร้องให้น้ำหูน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะไม่นึกว่าผ้าหม่มผืนเล็กๆผืนละร้อยสองร้อยบาทที่เราซื้อไปแล้วไปแจกแจกขำๆเสร็จแล้วก็บุญกลับแต่สําหรับผู้รับมันมีความหมายเหลือเกินนะมีค่าพอถึงขนาดบางคนบอกว่าจะไม่แก่เพราะอะไรเพราะว่าผ้าห่มที่มีอยู่นั้นความหมายทางจิตใจไม่มีเท่าไหร่แต่ผ้าห่มที่คนที่มีชื่อเสียงคนที่มีประโยชน์ในทางสังคมเอาไปหยิบยื่นให้ มันหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าไม่ได้ไงคุณค่าทางใจมันสูงเหลือกเกินน่ะฉะนั้นพิธีกรและดาราที่ไปร่วมแจกพระหอมกับอาตมาทุกคนร้องไห้กันหมดเลยเพราะไปเห็นพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยปู่ย่าตายายที่มีน้ำใจอันใสบริสุทธิ์มารอต้อนรับยิ่งกว่ารอต้อนรับรัฐมนตรีนะเพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีนั้นต้องเกณฑ์กันมาะอันนี้ไม่ต้องเกณฑ์นะคุณจตนะอาตมาภาพขอให้ทางเทศบาลคัดเลือกรายชื่อผู้มารับพระหอมแค่พันคน แต่คนมาจริงๆกว่าสองพันคนนะไม่ต้องเกณฑ์มาเกินอยูแ่แล้วเครื่องหนึ่งจะมาดูดาราแล้วทุกคนมาถึงปุ๊บครื่องหนึ่งก็รับพระพ์ไปเครื่องหนึ่งก็ได้รับความปรีเพรมอิ่มเอ็ใจไปขอแค่ได้พบคนที่อยู่ในใจเขาเขาก็มีคนสุขแล้วเห็นไหมว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีความหมายสําหรับเรานะคุณโยมนะพระพรขืนหนไดงร้อยสองรอยเนี่ยแต่สําหรับผู้รับคุณโยมรู้ไหมมันอยู่ในใจไปตราบนานเท่าไหร่ อาจารย์ของอาตมาคือท่านพุทธทาท่านพูดว่าถ้าเธอมีขนมอยู่หนึ่งชิ้นเธอกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวแต่ถ้าเธอแบ่งให้เพื่อนของเธอเครึ่งหนึ่งมันจะอยู่ในใจของเพื่อนตราบนานเท่านานฉะนั้นศินละปะของการกินให้อิ่มก็คืออย่ากินคนเดียวพระพุทธองค์ก็ตรัสนะว่าเนกาสีละพระเตสุขัง กินคนเดียวไม่มีความสุขฉะนั้นใครที่กินคนเดียวนะสุดท้ายได้กินมือเดียวใครที่กินด้วยแบ่งด้วยได้กินตลอดชีวิตนี่เป็นกฎแห่งการแบร่งทุกท่านกลับไปต้องถามตัวเองว่าเออแล้วฉันจะแบ่งอะไรได้บ้างเนี่ยรู้จักที่จะให้นะก่อนจะให้ให้ยังไงคลมลงไปในกระเป๋าจะให้เงินตัวเองมีเงินไหมจะให้ความรู้ตัวเองมีความรู้ไหม จะให้ความสุขจะมีความสุขไหมจะให้ความรักจงมีความรักไหมไม่ใช่เพื่อนร้องห่มร้องไห้มาพี่ช่วยหนูด้วยไปๆปม า, มาสา3นาทีซุมหัวร้องไห้ด้วยกัน <c oughs> ไม่มีศักยาพที่จะแบไม่ได้นะจะให้เงินใครเขายืมคลําดูในกระเป๋าต้องมีเงินพอสำหรับตัวเองแล้วก็จึงให้ยืมด้วยจะให้ความรู้เขาเอาตัวให้รอดก่อนแล้วจึงไปแบ่งความรู้ให้เขา จะให้กำลังใจเขาถามตัวเองว่ากำลังใจพอมีไหมฉะนั้นเราจะให้อะไรใครออกไปให้ถามตัวเองว่าสำหรับเราเรามีพร้อมที่จะให้ไหมพร้อมที่จะให้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีสมบูรณ์ถึงที่สุดนะแต่หมายความว่าเรามีพอสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็มากพอที่จะแบ่งด้วยถ้าเราให้สมบูรณ์ถึงที่สุดคือเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแล้วฉันค่อยไปบริจาคนะไม่ประสบความสำเร็จหรอก ในห้องนี้จะมีเท่กที่คนที่มีเงินถึงพันล้านนอกจากคุณอุดมใช่ไหมฉะนั้นกฎแห่งการแบรหรือกฎแห่งการให้ก็คือจงให้ในสิ่งที่เธอมีให้ในสิ่งที่เธอไม่มีเธอจะทุกข์เพราะการให้หลายคนนะไปให้ไปบริจาคแล้วกลับมาบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันสามีไม่พอใจลูกไม่พอใจปู่ย่าตายายไม่พอใจเพราะอะไรเพราะลําพังตัวเองจะอยู่จะกินไปวันวันยังไม่พอ ก็ยังบงเป็นตนเป็นนักสังคมสงเคราะห์อีกฉะนั้นก่อนจะให้เขาต้องให้เราด้วยเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราค่ะนี่คือหลักกฎแห่งการแบรนะเวลาที่เราจะให้เราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้สิ่งที่เป็นวัตถุเสมอไปนะคุณโยมสามารถให้อะไรได้หลายอย่างเช่นให้แรงบันดาลใจได้ไหมเช่นคนที่แต่มภาพนามาขึ้นปกแนลสันแมนเดลา เวลาถึงวันเกิดแต่และปีมีคนจัดงานให้ทั่วโลกเพราะแกเป็นดีไอโดลของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกชีวิตของแกนอกจากแกจะให้ทุนการศาึกษาแกเด็กให้ยาไม่เฉพาญยาในประเทศโลกที่สามแกให้แรงบันดาลใจในฐานะเป็นผู้นําที่มีเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษให้แรงบันดาลใจก็ได้ถึงคนอย่างอาจารย์ถวัลย์พัชนีอย่างเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลป์และเป็นรุ่นน้องเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมนอกจากให้แรงบันดาลใจแล้วถ้าเป็นพระ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเป็นประธานบริษัทคุณสามารถให้อามั่นคงได้ไหมให้ความมั่นคงกับพนัก ง, งานทุกคนให้หลักประกันกับพนัก ง, งานทุกคนว่าบริษัทเราจะเป็นบริษัทที่มีหลักประกันที่มั่นคงที่สุดทุกคนจะได้ทํางานในบริษัทหรือในองค์กรในฝันนี่ก็ให้ความมั่นคงได้ถ้าเป็นผู้บริหารถ้าเป็นพระให้ภาวะที่ญาติโยมเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจเรียกว่ามั่นโหนาวณี คือเห็นแล้วชื่นใจไม่ใช่พอเห็นปุ๊บโอ้โหหลวงพ่อใส่แว่นดำมาเลยเห็นแล้วเสื่มอมศรัทธานเลยไม่ดีเห็นพระแล้วก็ชื่นอกชื่นใจปรีเปรมอิ่มเอิมใจเกิดศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าให้ศรัทธาประสพทะถ้าเรามีความรู้เราแบ่งให้เพื่อนก็เป็นการให้ความรู้เพื่อนทุกมาเราให้กําลังใจได้ไหมก็ได้อีก <c oughs> เห็นก็เดินลําบากประสบอุทกภัยวาตภัย อัีภยัยหายนาภายะภยัยชาติกะภยัยทุกพิภะภัยแม้กระทั่งกิจกะภยัย <c oughs> เราเป็นที่ปุสกษาหารือเราช่วยเหลือเกื้อกูลบริจาคเข้าของก็ได้ <c oughs> ฉะนั้นคำว่าให้ไม่ได้ไหมายความว่าต้องมีเงินแล้วให้นะให้อะไรก็ได้ที่คุณมีเราให้แล้วตัวเองไม่เดือดร้อนนี่คือกฎของการแบบ่งในช่วงชีวิตที่สามของเราทุกคนเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ออกไปแล้วนะไม่ใช่ว่าพออายุเข้าช่วงที่สมแล้วเนี่ยห้สิบแปดใช่ไหม เป็นต้นไปเนี่ยยังแบ่งไม่เป็นยังปันไม่เป็นยังให้ไม่เป็นรู้ไหมคนที่มีเงินจํานวนมากๆแล้วไม่เคยให้อะไรกับสังคมนะ่ะเขามีเงินเขาเป็นเศรษฐีแต่เขาจะไม่เป็นที่รักเขามีเงินเขามีทรัพย์สมบัติแต่เขาจะไม่มีบารมีเงินทองจะให้ทําำเงินทองนะ่ยจะทําให้เราเนี่ยกินอิ่มนอนอุน่นแต่การรู้จักแบ่งปันจะทําให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ และเกียรตินี้เงินซื้อไม่ได้ฉะนั้นจะมวัวแต่หาเงินชีวิตมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อหาเงินเท่านั้นนะเราควรจะหาเกียรติยศมระดับตัวเองด้วยเกียรติทําได้ยังไงคิดถึงคนอื่นแล้วเกียรติจะมาเองทําเพื่อคนอื่นแล้วเกียรติจะมาเองเกียรติเป็นกําไรสําหรับคนที่มีหัวใจแห่งความเป็นผู้ให้แม้เราไม่ต้องการเขาก็จะมามันเป็นธรรมชาติ เมื่อเราให้ออกไปเราก็จะได้รับถ้าไม่มีอะไรจะให้อย่างถึงที่สุดแล้วคุณยมแค่ให้รอยยิม้มนะราคาถูกที่สุดเลยคุณยอมเคยยิ้มไหมเคยเข้าห้องน้ํายิ้มหน้ากระจกก็ได้ฝึกยิ้มบ่อยๆแล้วเวลาอาบน้ําคนเดียวนะก่อนจะกลับออกมาจากห้องน้ํานี้จะได้เห็นว่าตัวเองเป็นยังไงฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆที่อาสมของตมาที่เชิงรายจึงตั้งชื่อพระประธานว่าหลวงพ่อยิม้มเพื่ออะไร คนทุกคนไปแล้วเนี่ยได้ย้อนกลับมาถามแตดงว่ายิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไรยิ้มยิ้ได้ไบ่อยบแสดงว่าเรามีความสุขเรายิ้มที่หายไปแสดงว่าความสุขมันหายไปคนที่ให้อยู่เสมอนะอยู่ที่ไหนก็จะได้ยิ้มเพราะอะไรคนเขาจะให้เกียรติทั้งโลกเลยนะฉะนั้นเราอย่าลืมนะในช่วงชีวิตช่วงที่สามเป็นช่วงของการแบ่งให้แบ่งปัน ในเดีวนี้พระอาจารย์อ่านสารานุกรมฉบับหนึ่งพลิกไปไปเจอชื่อของคามาเอนโดคานากิมหาเศรษฐีหมื่นล้านคนแรกๆของสหรัฐอเมริกาผู้ชายคนนี้เมื่อชีวิตสมบูรณ์ทูนผลทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงที่สามของชีวิตเขาบริจาคไปอันดับหนึ่งของโลกอันดับต้นๆของโลกก็แล้วกันสร้างห้องสมุดนะคุณโยมอยู่ในไทยเนี่ยไปช่วยพระอาจารย์สร้างห้องสมุดเ ร, รีบเยบร้อยแล้วหนึ่งหลังสวยงามมากตอนนี้มีแต่คนไปขอดูงาน แต่อนดรูคานิสร้างกี่หลังสารานุกรมฉบับนี้บอกว่าแอนดรูคานิค้คือมหาเศรษฐีที่กล่าววักทองว่าคนที่เป็นเศรษฐีควรเรียนรู้ที่จะแบ่งปันทรัพย์สินของตัวเองครึ่งหนึ่งเพื่อเจือจานชาวโลกและเขาพูดเองเขาก็ทำเองผู้ชายคนนี้สร้างห้องสมุดทั่วโลกสามพันแห่งพอเขาเสียชีวิตไปแล้วชื่อของเขาอยู่ในสารานุกรมฉบับโลกทุกเล่ม และเล่นที่พระอาจารย์อ่านนี้มีรูปของแอนูคาเนกี้กำลังก่อก้อนอิดและใต้ภาพก็เขียนว่ามหาเศรษฐีแอนดรูคารเนกี้กำลังก่อรากฐานของห้องสมุดแห่งหนึ่งให้กับเด็กน่าชื่นใจไหมเร็วๆนี้ได้อ่านประวัติของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะทา่านเสียชีวิตไปแล้วล่ะพระอาจารย์ได้อ่านแล้วก็ชื่นชอบมากท่านเขียนเอาไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าหกผมตายไปไปถึงโลกหน้า เกิดเจ้าหน้าที่สวรรค์ถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้บ้างผมจะยืดอกตอบอย่างภาคภูมิใจว่าผมเคยสร้างมหาวิทยาลัยไว้แห่งหนึ่งมีเด็กมาเรียนปีละหมื่นกว่าคนประโยมเดียวกันถ้าตมามาถามเราทั้งหลายว่าถ้าคนยมทั้งหลายล่วงรับดับขันไปก่อนที่จะถูกเขาตั้งคำถามเนี่ยนะพวกเรายังมีปัญหาหนึ่งรออยู่ก็คือเราจะถูกถามโดยย ม, มาบาลหรือว่าเทวดา ยักจะย้อนกลับมาถามพวกเราว่าวันหนึ่งถ้าคุณตายไปถูกเจ้าหน้าที่ในโลกหน้าถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้บ้างตรงธรณีประตูและสวรรค์นนะ่ะก่อนที่จะส่งไปสู่ธรณีประตูและสวรรค์นนะ่ะเป็นคอเซนเตอร์ของโลกหน้าเนี่ยนะเขาถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้บ้างตอนเป็นคนคุณเคยให้อะไรใครบ้างพวกเรานึออกไหม ฉะนั้นช่วงชีวิตที่สามเป็นช่วงของการให้ออกไปเป็นช่วงของการแบ่งปันเป็นช่วงของการนึกถึงคนอื่นเพราะเป็นช่วงของกฎแห่งการแบ่ช่วงที่หนึ่งเป็นกฎแห่งการจําำเํามความรู้เอาไว้ช่วงที่สองเป็นกฎแห่งการกจำคือกจำเงินกจำทองสร้างเหนื้อสร้างตัวเพื่อเองช่วงที่สามเป็นกฎแห่งการแบ่คุณต้องให้แล้วถ้าคุณไม่ให้ช่วงนี้ไปถึงช่วงที่สี่ 25ปีสุดท้ายระหว่าง76ถึง100เป็นช่วงสุดท้ายของการทำอะไรเอาอะไรชื่อมาดู25ปีหลังเป็นวันเวลาของการชะลอรถคือชีวิตให้ช้าลงเพื่อไปไหนเพื่อไปจอดยังสถานีสุดท้ายของชีวิตให้นุ่มนวลสง่า ง, งามและสงบนั่นก็คือเตรียมตัวว่าไปสู่โลกหน้า ด้วยความพร้อมอย่างเต็มที่และก็ให้นุ่มนวลที่สุดให้สงางามที่สุดดังนั้นเวลาที่เราไปในงานศพดอกไม้ที่ใช้ในงานศพคือดอกดอ ก, ดอกไม้จันทร์ทำไมต้องเป็นดอกไม้จันทร์เพราะดอกไม้จันทร์นั้นเป็นดอกไม้หอมไม้หอมก็คือไม้กฤิศนาไม้จันทร์ทางพระพุทธศาสนายอกยอกมากว่าถ้าเป็นคนต้องเป็นคนดีต้องเป็นสัตว์บรุษสัตว์บรุษหรือเขียนแบบสันสกฤตเป็นสัปปะบรุษแปลว่าคนดี ถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะหอมเหมือนไม้จันทร์ฉะนั้นเวลาที่ระวางดอกไม้จันทร์นั้นเป็นสัญญาณเตือนคนที่ยังอยู่ว่าก่อนจะเสียชีวิตคุณมีคุณงามความดีที่หอมฟุ้งเหมือนดอกไม้จันทร์ไหมเหมือนไม้จันทร์เหมือนไม้กุษลนาไหมดังนั้นช่วงชีวิตสุดท้ายของเราทั้งหลายจึงเป็นช่วงชีวิตของการปล่อยวางและเตรียมตัวตายอย่างสันติเราจมาเห็นหลายคนนะอายุแปดสิบแล้วยังเล่นการเมืองอยู่เลย ไม่ต้องเล่นแล้วการเมืองอ่ะให้คนหนุ่มๆเขาเล่นแปดสิแล้วเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตสแสวงหาธรรม ะ, สะแสวงหาบุญกุศลแสวงหาความสงบในหัวใจเตรียมตัวตายอย่างมีสติเพราะวันหนึ่งถ้าคุณตายปุ๊บคุณไม่ต้องห่วงเรื่องหนังสือหนุงสอนเพราะคุณงานความดิ้งคุณนังพิมพ์เล่มเดียวก็ไม่พอฉะนั้นช่วงชีวิตสุดท้ายถ้าคุณไม่เตรียมตัวตายอย่างสันติ ซึ่งมันจะต้องเตรียมตั้งแต่ช่วงที่สามนะต้องเป็นผู้ให้แล้วนะช่วงที่สามถ้าเราเป็นผู้ให้แก่สังคมมากมายเนี่ยเราจะมีคุณงามความดีมหาศาลแล้วมันจะไปเอื้อเอาในช่วงสุดท้ายเพราะอะไรเวลาพระท่านเทศเนี่ยทำเกิเอาคุณงามความดีนะั้นนำมาพูดให้ฟังแต่บางคนอาตมาไปแล้วนี่ยจะเริ่มตรงไหนสำเร็จการศึกษาอตาตมาก็ได้ยินข่าวมาอยู่เหมือนกันว่าโกงข้อสอบ ลำบากใจอะโยมนะไปสร้างโบทห้าแห่งถ้าก็รู้นะว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งเป็นเงินบาปทั้งนั้นสร้างเพื่อไทยบาปโอ้โหธรรมเทศด้วยความลำบากใจไปไปธรมเทศครึ่งชั่วโมงขอกลับก่อนเวลาแต่รับกันเทศเต็มที่ <laughs> เห็นไหมเนี่ยฉะนั้นขอเถอนะช่วงชีวิตที่สามกฎแห่งการแบ่ ลืมไม่ได้นะต้องปฏิบัติหลักง่ายๆของกฎข้อที่สาหรือช่วงชีวิตที่สามก็คืออย่าถามว่าฉันจะได้อะไรแต่จงถามว่าฉันจะให้อะไรถ้าคุณปฏิบัติต่อช่วงชีวิตที่สามเป็นอย่างดีตามกฎของการแบร่ช่วงชีวิตที่สี่เวลาที่คนคุณเข้าชแร์แข่ชราคุณจะกลายเป็นปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชาแต่ถ้าคุณดำรงชีวิตมาช่วงที่หนึ่งก็ผิดช่วงที่สองก็พลาด ช่วงที่สามก็เพี้ยนแล้วช่วงที่สี่มันจะเป็นยังไงช่วงที่สี่ก็ทําให้คนรุ่นหลังเนะี่ยบ่นตามหลังเลยว่าเมื่อไร่คนรุ่นนี้จะหมดอายุไข <c oughs> ฉะนั้นทุกท่านทุกคนต้องวางแผนให้ดีนะชีวิตทุกๆช่วงชีวิตถ้าราวางแผนดีนะช่วงที่หนึ่งการศึกษาเราดีมากเอื้อช่วงที่สองเราได้งานที่ดีทําช่วงที่สองวางรากฐานไว้เป็นอย่างดีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวมั่นคงเข้ามาสู่ช่วงที่สามทีนี้เราจะไปเป็นรัฐมนตรี เราไม่ต้องเล่นการเมืองคุณก็เก่งพอที่เขาจะมาเชิญไปเป็นรัฐมนตรีแต่ทุกวันนี้นะขนาดเล่นการเมืองมายี่สิบปีก็ยังแย่งเป็นรัฐมนตรีประชาชนไม่ยอมให้เป็นเพราะอะไรกูรู้อยู่แล้วว่าไม่มีความสามารถมีแต่ความอยากเท่านั้นเองเข้าไหมถ้าเราทําช่วงที่หนึ่งดีเอื้อช่วงที่สองช่วงที่สองดีเอื้อช่วงที่สามช่วงที่สามดีเอื้อช่วงที่สี่คุณจะตายอย่างสตมีสงหาราศีและคนทั้งประเทศ จะพูดตรงกันว่าคนดีก็ยิ่งน้อยอยู่โย ม, มาบานก็ไม่น่ารีบเอาไปเลยแต่ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็มันน่าจะไปเร็วกว่า น, นี้ประเดศจะได้สูงขึ้นอีกเห็นไหมสีชช่ช่วงชีวิตช่วงชีวิตละยี่สิบห้าปีที่พูดมาทั้งหมดเพื่อที่จะตอบคำถามเรือที่บายว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีนะประการที่หนึ่งตนเป็นที่พึ่งของตอน วางแผนในการปฏิบัติต่อช่วงชีวิตทั้งสี่ให้ถูกต้องแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของตนและถ้าเราวางแผนมาเป็นอย่างดีช่วงชีวิตทั้งสี่ช่วงเนี่ยก็จะเอื้อต่อการตอบโจทย์ข้อที่สองคือให้คนอื่นก็ได้พึ่งได้ไหมให้คนอื่นก็ได้พึ่งไม่ต้องรอจนแก่จนเฒ่านะเป็นเด็กๆนี่แหละถ้าความรู้ของคุณดีหนะ้าที่การงานของคุณดีคุณเริ่มช่วยเหลือสังคมได้หรือ ย, อยังคุณเป็นผู้ให้ได้แล้วหรือยัง ได้หมดแล้วคนเขียนสุนทรพจน์ของบารัคโอบามาอายุแค่ยี่สิบเจ็ดปีเก่งไหมต้องรอจนแก่จนเท่าไหมถึงจะมีความลึกซึ้งไม่ต้องรอหรอกหาความรู้ให้ดีที่สุดอายุยี่สบดยี่บสองก็เป็นนักก่าได้แล้วฉะนั้นช่วงชีวิตทั้งสี่ช่วงที่ตมาพูดมาเนี่ยเป็นการพูด ก, กว้างๆอย่าไปรอว่าจะต้องทำตามนั้นเป๊ะๆ เ, เพราะอะไรเพราะบางคนนั้นในขณะที่เรียนก็ได้ทางานแล้ว บางคนในขณะที่ทํางานก็ให้กับสังคมแล้วแล้วบางคนอายุแค่สามสิบต้นๆก็ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านดูจิตได้แล้วไม่ต้องรอจนแก่จนเท่าถึงจะเข้าบัดช่วงชีวิตที่แตงมาภาพพูดมานั้นพูดสําหรับคนทั่วไปที่ ว, ว, วางไว้กว้างๆแต่เราสามารถปฏิบัติในช่วงชีวิตทั้งสี่นั้นให้อยู่ในช่วงชีวิตเดียวกันได้ทั้งหมดเช่นอราอยุแค่ยี่สิบห้าเราสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก เราได้งานทำขณะที่ได้งานทำนั้นเราก็มีจิตสำนึกสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้วยและในขณะที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมนั้นเราก็แบ่งเวลามาศึกษาธรรมะด้วยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตยิ่งกว่าคนอายุแปดสิบกลายเป็นว่าเพียงแค่เข้าช่วงชีวิตช่วงที่หนึ่งเท่านั้นเองคือในขอบเขตยี่สิบห้าปีเราสามารถปฏิบัติช่วงที่สช่วงที่สามช่วงที่สี่ครบสมบูรณ์ได้ต้องรอจนแก่เท่าไหมก็ไม่ต้องรอ ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นที่พึ่งของตนให้ได้อย่างดีที่สุดจนกระทั่งว่าสามารถให้คนอื่นเขาได้พึ่งด้วยต้องวางแผนชีวิตที่ดีเกิดจากการวางแผนที่ดีจะใช้ชีวิตสั้นแต่ว่าวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวั น, ว น, วนหาเช้ากินค่ำบางคนหาเช้ากินเที่ยงหาเที่ยงกินค่ำหาหัวค่ำกินดึกถ้าอย่างนี้มันไม่มีอนาคตฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดพรปีใหม่ ที่พระอาจารย์จะให้ในวันนี้ตามชื่อหลักสูตรว่าปีใหม่ชีวิตใหม่ชําระใจใหม่ก็ขอสรุปรวบยอดลงไปในวลีสองวลีที่ว่าจงทําตนนะให้เป็นได้พึ่งของตนและจงให้คนอื่นเขาได้พึ่งในเบื้องแรกตนเป็นได้พึ่งของตนในเบื้องปลายให้คนอื่นเขาได้พึ่ง ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดีมีค่าและไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่เราก็จะมีบรรยากาศก็จะมีเทศกาลแห่งความสุขทุกคืนทุกวันเพราะคนดีอยู่ที่ไหนเทศกาลแห่งความสุขเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในบางยุคบางสมัยเราอาจจะต้องการคนรวยอาจจะต้องการนักกฎหมายอาจจะต้องการนักการเมืองแต่ก็แค่บางยุคบางสมัยแต่ทุกยุคทุกสมัยโลกต้องการคนดี การเป็นคนดีไม่มีการตกยุคฉะนั้นถ้าใครเป็นคนดีอยู่แล้วด้วยการปฏิบัติตามหลักตนเป็นได้พึ่งของตนและให้คนอื่นเขาได้พึ่งเท่ากับว่าคนนั้นได้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าพอที่ตัวเองก็สามารถเฉลิมฉลองให้ตัวเองได้และคนอื่นก็สามารถที่จะร่วมเฉลิมฉลองให้กับเราก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ขออันเชิญคุณพระรัตนตรยัย มารวมกันเป็นตะบะเดชพลวะปัจจัยอานวยอวยพรปีใหม่ให้เราทั้งหลายอยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเออ